นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหนายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจกักขวิญญาณย่อมเบื่อหนายแม้ในจกักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่า ย, แ ม, าม ย, มายแม้ในเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อนายแม้ในโสตะย่อมเบื่อนายแม้ในเสียงย่อมเบื่อนายแม้ในคานะย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อนายแม้ในรสย่อมเบื่อนายแม้ในกายย่อมเบื่อนายแม้ในโพธพภะย่อมเบื่อนายแม้ในมโน ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมย์ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนดเพราะคลายกำหนดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่า ชาสิ้นแล้วอยู่จบพรมอาจารย์ลแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัพย์สิทธิ์นี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ตรัสเวยากรณ์พาษิทธินี้อยู่จิตของท่านพระราหุลก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่เถือมั่น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 จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียตรัสเรื่องนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายในหกพึงทราบอยา ย, น 6, าอยตนะภายนอกหกพึงทราบหมวดวิญญาณหกพึงทราบหมวดผัสสะหกพึงทราบหมวดเวทนาหกพึงทราบหมวดตัณหาหก อายตนะ12ประการเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จักขวายตนะ 2. โสตายตนะ 3. าคานายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. ากายายตนะ 6. มานายตนะ คำที่เรากล่าวไว้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายในหกนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหกหมวดที่หนึ่งเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหก เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. รูปายตนะ 2. อสัตทายตนะ 3. คันธายตนะ 4. รษ า, ายตนะ 5. ้าโพธพายตนะ 6. ธรรมายตนะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น นี้เป็นหมวดธรรมหกหมวดที่สองเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิด สเพสาราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพระาะอาศัยคานะและกลิ่นคานวิญญาณจึงเกิด 4. เพระาะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด 5. เพระาะอาศัยกายและโพธพะกา ย, ยวิญญาณจึงเกิด 6. เพระาะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิด คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหหมวดที่สเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะ6 เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขคุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิด ความประโบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะ 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดความประโบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะ 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐะกายวิญญาณจึงเกิดความประโบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะ 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดความประโบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะ คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดภัษะ6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหหมวดที่สี่เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดเวทนา6 เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขคุและรูปจักขคุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสมเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานาวิญญาณจึงเกิด 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐะกา ย, ยวิญญาณจึงเกิด 6. เพราะอาศัยมโนโและธรมมารม์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแผงธรรมสมเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดเวทนา6 นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหหมวดที่ห mm hmm. เรากล่าวคํานี้ไว้ว่า mm hmm. พึงทราบหมวดตันหา6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ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 พึงทราบหมวดตันหาหกนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหกหมวดที่หกผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจักขุเป็นอัตตา คำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจกขุย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจกขุเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจกขุเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้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 รูปเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าจากขูวิญญาณเป็นอัตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจกขูวิญญาณย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป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 จักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาจักขุสัมผัสเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้อง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 เวทนาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องตัณหาย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตั้นหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจกขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจากขุวิญญาณเป็นอนัตตาจากขุสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตา ตันหาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าโซตะเป็นอา ต, ตาผู้ใดพึงกล่าวว่าคานะเป็นอา ต, ตาผู้ใดพึงกล่าวว่าชิวหาเป็นอา ต, ตาผู้ใดพึงกล่าวว่า กายเป็นอัตตาผู้ใดพึงกล่าวว่ามโนเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องมโนย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้อง มนโนเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าธรรมารมเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องธรรมารมย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป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 มโนเป็นอนัตตาธรรมรมเป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่ามโนสัมผัสเป็นอนัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้อง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 ธรรมารมเป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตามโนสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาตันหาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ภ mm ิก hmm. ษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทานี้แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสักกายะสมุทัยความเกิดขึ้นแห่งสักกายะคือบุคคลพิจารณาเห็นจักขวว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขววิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา พิจารณาเห็นจากขุสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั <out of words> ่น <out> น <of words> ั <out of words> ่นเป็น <rene> อ hmm, ัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นตันหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะว่านั่นของเราพิจารณาเห็นคาณะว่านั่นของเรา พิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นของเราพิจารณาเห็นกายว่านั่นของเราพิจารณาเห็นมโนว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นธรรมารมณ์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา พิจรารณาเห็นมโนส are, ัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นน <ovich> well ั่นน <moi> ั่นเป็นอัตราของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราภิกษุทั้งหลายส่วนปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสักกายนิโรธความดับสักกายะ คือบุคคลพิจารณาเห็นจักขูว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขูวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นตันหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นคานะว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นไม่ใช่ของเรา พิจารณาเห็นกายว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นมโนว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นธรรมอารมณ์ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนสัมผัสว่า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 ทั้งหลายเพราะอาศัยจากขูและรูปจากขูวิญญาณจึงเกิดความประโบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุก ข, ขมสุขที่สัจเสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินเชยชมยึดติดบุคคลนั้นมีราคานุัยกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือราคะนอนเนื่องอยู่ อันทุกเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขามีปฏิคานุัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิฆะนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและทำเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริง เขามีอวิชานุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชานอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่บุคคล น, นั้นยังละราคะนุสัยเพราะสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยเพราะอาทุคขมสุขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชาแล้วทาวิชาให้เกิดไม่ได้ จากเป็นผู้กระทําที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและโภทภะกา ย, ยวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งทำสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุก ข, ขมสุขที่สัตว์เวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดบุคคลนั้นมีราคานุัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่าครวญถึงความลุ่มหลง เขามีปฏิกานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและทมเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงเขามีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลนั้นยังละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาไม่ได้ ยังบรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุใสเพราะอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชาแล้วทําวิชาให้เกิดไม่ได้จกเป็นผู้กระทําที่สุดทุกขได้ในปัจจุบัน ทั้งหลายเพราะอาศัยจากขูและรูปจากขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแผงธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุก ข, ขมสุขที่สัตว์เวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดบุคคลนั้นไม่มีราคานุัสนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงบุคคลนั้นไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมรู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและทำเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงบุคคล น, นั้นไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ เป็นไปได้ที่บุคคล น, นั้นละราคานสัสเพราะสุขเวทนาได้บรรเทาปฏิคานสัสเพราะทุกขเวทนาได้ถอนอวิชานสัสเพราะอทุคขมสุขเวทนาได้และอวิชชาแล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วจากเป็นผู้กระทำที่สุดทุกได้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตและเสียงโสตวิญญาณจึงเกิด เพราะ อ, อาศัยคานะและกลิ่นคานาวิญญาณจึงเกิดเพราะ อ, อาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะ อ, อาศัยกายและโพธะะกา ย, ยวิญญาณจึงเกิดเพราะ อ, อาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนโวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิด เขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดบุคคลนั้นไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงบุคคลนั้นไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมรู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและทำเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาได้บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาได้ ถอนอวิชานุสัสเพราะอทุกขมสุขเวทนาได้และอวิชาแล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดทุกได้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลาย อร really um. ิยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในตันหาย่อมเบื่อนายแม้ในโสตะย่อมเบื่อนายแม้ในเสียงย่อมเบื่อนายแม้ในคานะ ย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นย่อมเบื ha, ่อนายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อนายแม้ในรสย่อมเบื่อนายแม้ในกายย่อมเบื่อนายแม้ในโผพธพภะย่อมเบื่อนายแม้ในมโนย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมรมย่อมเบื่อนายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อนายแม้ในมโนสัมผัส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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วพิษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณ์พาสิทธินี้อยู่จิตของภิษุประมาณหกสรูปได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นดังนี้แลชัชักกสูตรที่หจบ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 บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจกักขุตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจกักขุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในจกักขุ ย่อมยินดีนักในรูปย่อมยินดีนักในจักขุวิญญาณย่อมยินดีนักในจกักขุสัมผัสย่อมยินดีนักในสุขทุกข์หรืออทุก ข, ขมสุขที่สัตว์เยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจากักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปาทานขันห้าย่อมถึงความพ่อภูนิขึ้นต่อไป และตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรคตด้วยความเพลดิดเพล hi, ินยินดีชวนให้เพลดิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็ย่อมเจริญขึ้นความกรนกระวายที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดี ที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้างเสวยทุกข์ทางใจบ้างเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นธรรมารม ages, ตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกข์มสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในมโนย่อมยินดีนักในธรรมารมย่อมยินดีนัก ในมโนวิญญาณย่อมยินดีนักในมโนสัมผัสย่อมยินดีนักในสุขทุกขหรืออทุกขมสุขที่ ส, สเสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปาทานขันห้าย่อมถึงความพ่อพูนขึ้นต่อไปและตัณหาที่นําไปสู่พบใหม่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 เขาจึงเสวยทุกทางกายบ้างเสวยทุกทางใจบ้าง